88ดสิฉันะทะานกถาว่าด้วยการมอบฉันทะเรื่องทำกรรมที่จะต้องทำข้อห6 5ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงประชุมกันสงจทำ ก, กรรมเมื่อพระองค์ตรัสอย่างนี้ภิกษุรูปหนึ่งได้กลาวทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่ามีภิกษุเป็นไข้ยอยู่พระพุทธเจ้าข้า ภิกษุไข้นั้นมาไม่ได้พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุไข้มอบฉันทะวิธีมอบฉันทะภิกษุทั้งหลายก็แลภิกษุไข้พึงมอบฉันทะอย่างนี้ภิกษุไข้นั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่งห่มอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งนั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าขอมอบฉันทะท่านจงนำฉันทะของข้าพเจ้าไป จงบอกฉันท่าของข้าพเจ้าพิกษุผู้มอบฉันท้าให้พิกษุผู้นำฉันทารู้ด้วยกายให้รู้ด้วยวาจาหรือให้รู้ด้วยกายและวาจาฉันท่าเป็นอันมอบให้แล้วพิกษุผู้มอบฉันทะาไม่ให้พิกษุผู้นำฉันทารู้ด้วยกายไม่ให้รู้ด้วยวาจาหรือไม่ให้รู้ด้วยกายและวาจาฉันทาเป็นอันยังไม่ได้มอบถ้าได้อย่างนั้นนั่นเป็นการดีถ้าไม่ได้ ภิกษุทั้งหลายพึงใช้เตียงหรือต่างหาภิกษุไขมาในท่ามกลางสงแล้วทำกรรมภิกษุทั้งหลายถ้าพวกภิกษุผู้พยาบาลภิกษุไขได้ปรึกษากันดังนี้ว่าถ้าพวกเราจับย้ายภิกษุไข้อาการไข้จะกกำเริบหนักขึ้นหรือภิกษุไข้จะถึงแก่วรณภาพไม่พึงย้ายภิกษุไข้สงพึงไปทำกรรมในสมณภิกษุไข้นั้นแต่สงไม่พึงแบ่งพวกกันทำกรรม ถ้าแบ่งพวกกันทําต้องบัตรทุกกฏภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุไข่ได้มอบฉันท่าแล้วถ้าภิกษุผู้นําฉันท่าหลบไปเสียจากที่นั้นภิกษุไข่พึงมอบฉันท่าแก่ภิกษุรูปอื่นภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุไข่ได้มอบฉันท่าแล้วถ้าภิกษุผู้นําฉันท่าศึกเสียณที่นั้นแหละบรณภาพปฏิญญาเป็นสมบันเณรปติญญาเป็นผู้บอกลาศิกขาปติญญาเป็นผู้ต้องอันติมะวัตถุ ปติญญาเป็นผู้วิกลตจริตปติญญาเป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่านปติญญาเป็นผู้กระสับกระสายเพราะเวทนาปติญญาเป็นผู้ถูกสงลงอุเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นอาบัติปติญญาเป็นผู้ถูกสงลงอุเคปนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติปติญญาเป็นผู้ถูกสงลงอุเคปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปปติญญาเป็นบันดกปติญญาเป็นเทยสังวาสปติญญาเป็นผู้เข้ารีดเดียร์ถี ปติญญาเป็นเศรษฐีระชันปติญญาเป็นผู้ฆ่ามารดาปติญญาเป็นผู้ฆ่าบิดาปติญญาเป็นผู้ฆ่าพระอรหันต์ปติญญาเป็นผู้ประทุษร้ายภิกษุณีปติญญาเป็นผู้ทำลายสงฆ์ปติญญาเป็นผู้ทำร้ายพระศาสดาจนห่อพระโลหิตปติญญาเป็นอุปโตพยัญชนกภิกษุไข่พึงมอบชันท่าแก่ภิกษุรูปอื่นภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุไข่ได้มอบชันท่าแล้ว ถ้าภิกษุผู้นำฉันทะหลบไปเสียในระหว่างทางฉันทะเป็นอันยังไม่ได้นำมาภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุค่าได้มอบฉันท่าแล้วถ้าภิกษุผู้นำฉันทะศึกเสียในระหว่างทางปฏิญญาณเป็นอุปโตพยัญชนกฉันท์เป็นอันยังไม่ได้นำมาภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุค่าได้มอบฉันท่าแล้วถ้าภิกษุผู้นำฉันทะเข้าที่ประชุมสงฆ์แล้วหลบไปฉันทะเป็นอันนำมาแล้วภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุค่ได้มอบฉันท่าแล้วถ้าภิกษุผู้นำฉันทะเข้าที่ประชุมสงฆ์แล้วศึกเสียปฏิญาณเป็นอุปโตพยัญชนกฉันท่าเป็นอันนำมาแล้วภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุค่าได้มอบฉันท่าแล้วถ้าภิกษุผู้นำฉันทะเข้าที่ประชุมสงฆ์แล้วหลับเสียไม่ได้บอกเผลอไปไม่ได้บอกเข้าสมาบัตดไม่ได้บอกฉันท่าเป็นอันนำมาแล้วภิกษุผู้นำฉันทะไม่ต้องอบัติ ภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุใขรได้มอบฉันท่าแล้วถ้าภิกษุผู้นำฉันท่าเข้าที่ประชุมสงฆ์แล้วจงใจไม่บอกฉันท่าเป็นอนันนามาแล้วแต่ภิกษุผู้นำฉันท่าต้องอบัตทุกกฎภิกษุทั้งหลายในวันอุโบสถเราอนุญาตให้ภิกษุผู้มอบปลาริสุธิให้มอบฉันท่าด้วยเรื่องเหล่านี้เป็นกิจที่สงฆ์ต้องทำ